คลอดออกจากท้องแม่มาแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยความรู้ความสามารถอะไรไม่มีสักอย่างมาขนควายหาเอาอยู่ในเมืองมนุษย์อีกเน่ยพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้เป็นเด็กมาไม่รู้จำอะไรไม่ได้สักอย่างเดินก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เป็นดื่มกินอะไรไม่เป็นสักอย่าง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 มันก็จะมีความจำอยู่นิดหนึ่งนะออกไปสมมติว่าใครจะได้ไปสวรรค์มันก็จะมีความจำอยู่นิดหนึ่งพออุบัติขึ้นเป็นเทวดบุตรเทวดาแล้วมือกระด่มแล้วพวกที่จะไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวก็เหมือนกันมันก็จะจำได้นิดเดียวเท่านั้น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 เราก็อาจจะได้ยินนะสาธุขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติ เ, เทิดเจอทําไมล่ะเจอที่ไม่ได้เอาอะไรนี่เจอทําไมเจอมันเจอต้องเจอลักษณะหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเจอศาสนาเนี่ขุดเลยนะอันนี้คืออะไรหรอ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 ขว้างถ้วยก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นพวกเรามาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมแล้วก็จะไปด้วยกรรมทีนี้ผู้หนีกรรมได้คือใครผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงท่านทิ้งกรรมทั้งุทิ้งทวนไปแล้ว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 ไม่ให้เดือดร้อนแต่อยากให้มีส่วนก็เป็นบุญนันสำคัญเท่า ท, ที่ทราบมาก็คือเป็นที่ที่เป็นทางเข้าวัดเลยทาาี่มรคัญทางเข้าวัดตอนนี้วัดก็เจอสองร้อยกว่าไล่แล้วก็เพิ่มอีกเจ็ดไล่เปลี่ยนโง่แห้งทันทีเลย <c oughs>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 เราอยากให้พวกคุณเข้าไปในลักษณะศึกษาอย่าเพิ่งโกรธเข้าใจไ้มพออารมณ์โกรธขึ้นปุ๊บเนี่ยเราทำใจเย็นๆมาก่อนอันนี้คืออะไรคนทั้งหลายเขาก็ใช้กันใช้กันตรงนี้มานานเสียนานเราก็ใช้มาจนถึงวันนี้แต่เราไม่เคยรู้ความจริงเลยคืออะไรพอเข้าใจไหม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 แต่ก่อนพวกเราอ่ะพากันสวดอิติปิโสภากาวากลัวผีนะเดี๋ยวนี้ผีสวดอิติปิโสกลัวคน <c oughs> อะอะแต่ไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาก่าบคำถวายสังฆทานนะครับแล้วก็สั้างจิตนะครับน้อมจิตน้อมใจในการที่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 พันเตอิมานิพระยมพันเตสังฆทานานิสังฆานานิสัพพิวารานิสัพพิวารานิสีลวันตัสสะสีลวันตัสสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสีละวะสีลวะอิมานิอิมานิสังฆานานิสังฆานานิสัพพิวารานิสัพพิวารานิ ปฏิการหาตุาาตอัมหากั ง, กงทีคารัตัง ท, ท, งทีตาย ะ, ายะสุขายะขายะ้ข า, ะขาแต่ท่านผูท้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขาาายโอโน้อมถวายซึ่งสังฆทาน ทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้นแต่ท่านผู้ ท, ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลโปรดรับขอท่านผู้ทรงศีลโปรดรับสังฆทานสังฆทาน <patch> กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้น ข, อนของข้าพเจ้าทั้งหลาย ข, ข้าพเจ้าทัา้งหลายช่วยเป็นประโยชน์ช่ยให้เป็นประโยชยนย์ได้ความสุขความเจริญความุความเจริญแก่พเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย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 สาธุสาธสา